พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส3าพระสูตรที่สี่สสาอัศาลายณะสูตรสูตรว่าด้วยมานบชื่ออัศาลายณนะพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนารามครั้งนั้นพวกพราหม์ชาวแวนแค้นต่างๆประมาณห้าร้อยมาพักอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างต่างปรึกษากันว่าพระสมณะโคดม บัญญัติความบริสุทธิ์ทั้งสี่วันนะคือไม่กดพวกวั น, นะต่ำใครหนอจะสามารถโต้ตอบกับพระสมณะโคโดมในเรื่องนี้ครั้งนั้นมานบหนุ่มอายุ16ชื่ออัศลายณนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญไรเวทพร้อมด้วยคำพีประกอบพักอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นพวกพรามเหล่านั้นจึงไปหามานบนั้นขอให้ไปโต้ตอบ มานพไม่ยอมอ้างว่าพระสมณะโคดมเป็นธรรมวาทีคือหมายถึงผู้กล่าวเป็นธรรมพวกกรามก็แค้นไครจนถึงสามครั้งและในท้ายแห่งครั้งที่สามได้กล่าวว่าอย่าแพ้ที่ยังไม่ทันได้รบมานพก็ยืนยันตามเดิมว่าไม่สามารถโตตอบกับพระสมณะโคดมแต่จะไปตามถ้อยคำของพวกราม มานพจึงไปพร้อมด้วยพรามคณะใหญ่เมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วจึงถามพระมติว่าจะทรงคิดเห็นอย่างไรในข้อที่พรามทั้งหลายกล่าวว่าวันณะพรามเท่านั้นประเสริฐเป็นฝ่ายขาวบริสุทธิ์ส่วนวันณะอื่นตรงกันข้ามพระผู้มีพระภาคตรัสตอบอ้างว่าพรามเกิดจากองค์กำเนิดของนางพรามจะว่าเกิดจากปากครมเป็นผู้ประเสริฐได้อย่างไร แล้วได้ตรัสถึงประเพณีในแคว้นโยน ก, กับกำโพธและชนบทชายแดนอื่นๆที่มีคนเพียงสองวันนะคือไอยะหมายถึงนายกับทาตคนเป็นนายแล้วเป็นทาตก็ได้คนเป็นทาตแล้วเป็นนายก็ได้ในกรณีเช่นนี้พวกพรามจะเอากำลังเอาความสะดวกใจอะไรมาอ้างในข้อที่ว่าพรามเป็นผู้ประเสริฐเป็นต้น แต่มานพก็ยังยืนถ้อยคําตามเดิมว่าแม้เช่นนั้นพวกพราหมณ์ก็ยังถือว่าวันณะพราหมณ์ประเสริฐตรัสถามว่าผู้ประพฤติชั่วทางกายวาจาใจเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายทุ ก, กติเวนีบาสนรกเพียงวันณะใดวันณะหนึ่งเช่นกษัตริย์ส่วนวันณะอื่นไม่เป็นเช่นนั้นหรอือทูลตอบว่าเปล่า ตรัสถามทํานองเดียวกันในทางธรรมดีว่าวันนะใดวันนะหนึ่งเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์วันนะอื่นไม่เป็นเช่นนั้นหรือทูลตอบว่าเปล่าจึงตรัสสรุปทั้งสองตอนว่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะกล่าวว่าวันนะพราหมณประเสริฐสุดได้อย่างไรเมื่อไม่มีอะไรพิเศษคงได้รับผลเท่าเทียมกับวันณะอื่น แต่อัศลายณะมานบก็ยังคงยืนกรานว่าพวกพราหมณ์กล่าวว่าวันณะพรามประเสริฐตรัสถามว่าวันณะใดวันณะหนึ่งเท่านั้นเหรอจึงควรเจริญพรมวิหารสีควรถือได้ถูตัวไปอาบน้ำลอยทุลีละอองควรสีไฟให้ติดได้มีเปลวไฟมีสีมีแสง ก็ต อ, ตอบว่าทําได้ด้วยกันจึงตรัสสรุปทั้งสามตอนนี้อีกให้เห็นว่าจะกล่าวว่าวั น, นพระรามประเสริฐสุดได้อย่างไรแต่มานพก็ยังยืนยันตามเดิมตรัสถามว่าชายหนุ่มที่เป็นกษัตริย์อยู่ร่วมกับหญิงสาวที่เป็นพราหมหรือชายหนุ่มที่เป็นพราหมอยู่ร่วมกับหญิงสาวที่เป็นกษัตริย์มีบุตรออกมา จะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พระามก็ได้ใช่หรือไม่มานพทูลรับรองซึ่งแสดงว่าพรามไม่ประเสริฐจริงรัสถามว่าแม่ม้ากับพ่อลาอยู่ร่วมกันเกิดลูกขึ้นเรียกว่าม้าก็ได้ลาก็ได้ใช่หรือไม่ทูลตอบว่าลูกที่เกิดแต่สัตว์ทั้งสองนั้นเป็นม้าอัสดร ตนเห็นความต่างกันในข้อนี้แต่ไม่เห็นความต่างกันแห่งบุคคลในรายก่อนตามข้อที่แล้วตรัสถามว่ามานพสองคนเป็นพี่น้องร่วมอุทรคนหนึ่งสาธยายมนได้ได้รับการฝึกหัดอีกคนหนึ่งไม่ใช่ผู้สาธยายไม่ใช่ผู้ได้รับการฝึกหัดพวกรามจะเชิญให้คนไหนบริโภคก่อนในพิธีศาสตร์ คือพิธีอุทิศให้ผู้ตายในอาหารบรรณาการในยัญยะพิธีและในของต้อนรับทูลตอบว่าเชิญให้ผู้สาธยายมน์ผู้ได้รับการฝึกหัดให้บริโภคก่อนเพราะของที่ให้ในผู้ไม่สาธยายมนผู้ไม่ได้รับการฝึกหัดจะมีผลมากได้อย่างไรตรัสถามว่า มานบสองคนเป็นพี่น้องร่วมอุทรคนหนึ่งสาธยายมนไ ด, ได้ได้รับการฝึกหัดแต่เป็นคนทุศีลมีบาปธรรมอีกคนหนึ่งไม่สาธยายมนไม่ได้รับการฝึกหัดแต่มีศีลมีกัลยาณธรรมพวกกรามจะเชิญให้คนไหนบริโภคก่อนทูลตอบว่าเชิญผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมให้บริโภคก่อนเพราะของที่ให้ผู้ทุศีล มีบาปรมจะมีผลมากได้อย่างไรตรัด ส, สรุปว่าครั้งแรกท่านกล่าวถึงชาติว่าสำคัญครั้นแล้วกล่าวถึงมน์ว่าสำคัญครั้นแล้วก็ยกมน์นั้นซะกล่าวถึงความบริสุทธิ์ที่มีในวันละทั้งสี่ตามที่เราบัญญัติไว้ข้อนี้แสดงว่าทรงยกเหตุผลต้อนให้มานพยอมแสดงว่า ชาติไม่สำคัญเท่ามนต์มนต์ไม่สำคัญเท่าความประพฤติเป็นการจำนวนต่อเหตุผลอย่างสมบูรณ์เมื่อกล่าวจบอัศลายณะมนก์ก็นิ่งเกอ้อเขินก้มหน้าจึงตรัสเล่าเรื่องอัสตะเทวะลฤะุษีไปปราบรามณีฤๅษีเจ็ดตนผู้มีความเห็นผิดในเรื่องวันณพรามว่าประเสริฐสุดด้วยการแสดงเหตุผล จนราศีทั้งเจ็ดนั้นยอมจำนวนเป็นการยกประวัติศาสตร์มาสอนว่าในครั้งโบราณก็มีผู้ปราบคนเห็นผิดเรื่องชาติชั้นวั น, นะมาแล้วเมื่อจบพระธรรมเทศนาอัศลายณะมานพ ก, กราบทูลสรรเสริญแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิต